ท่าฟังคะรายการศาสนาสนทนาเราให้ท่านปฏิบัติธรรมกันไปเป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตของท่านเองเริ่มต้นวันใหม่กันอย่างมีคุณค่ากับพระมารชาเขาวาโรตอนนี้ก็จะสืบเนื่องในการที่จะใช้เวลาในวันใหม่อย่างมีคุณค่าอีกช่วงหนึ่งกับการทําความเข้าใจาให้มากขึ้นในสิ่งที่พระศ า, าสดาสอนไว้อยู่ในพุทธวจนะ ซึ่งเราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ไพัยบุ์อภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนวัสการคะท่านค่ะเชิญผานก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเลยนนถ้าพูดถึงในยุคในครั้งพุทธกาลวันอาสารหาเนี่ยสําคัญไหมคะท่านคะโอ้เป็นเป็นวันที่นี่นนะเแสดงพระธมเทศนานะคือคือหมายถึงวันนั้นในของปีนั้นอ่ะนะ ถ้าปีอื่นๆถัดมาถัดมานี่ก็พระรูปเจ้าอยู่องค์เดียวและสบายที่สุดเลยคือคือไม่ได้ไมาจะต้องมีการเฉลิมฉลองในวันนั้นอีกเพราะว่าทุกคนไปฟังธรรมจากพระรูปเจ้าหมดทุกวันเป็นวันฟังธรรมหมดไม่ใช่เฉพาะวันนั้นยเดียวก็เท่ากับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเป็นครั้งแรกใช่จึ ง, จงต้องเป็นวันสําคัญอย่างแน่น <ทำ S 1> อนธรรมะพระพุทธองค์แสดงในครั้งแรกอืม <c oughs> ถึงแม้ท่าจะพูดกันทุกปีก็ยังอยากให้ท่านพูดอีกนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งมาเข้าถึงในปีนี้นะคะ่ะว่าวโดย<ะ>สาระท่านแสดงธรรมเป็นครั้งแรกท่านให้ความสําคัญกับธรรมใดอือันนี้ควรจะพูดถึงนิดนึ ง, ง, นนงเพราะว่าอย่างวันเรื่องของอสสารหบูชาคือสถานที่ที่แสดงปฐมเทศนาเนี่ยธรรมจักรกับปปัตตานสูตรตรงเนี้ยจริงๆแล้วพอหลังจากที่พระเจ้าแสดงพระสูตรนี้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกแล้วก็ ทุกวันหลังจากนั้นจนกระทั่งปกรณิพ่านเนี่ย mm. ก็ไม่ได้มีการมาเฉลิมฉลองวันเกิดหรือว่าวันอะไรวันอาสารัทะหรือว่าวันมาค่าบูชาไม่ได้มีการเฉลิมฉลองตรงนี้เลย mm. เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใหญ่สุดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นนะมาจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยเรามาหาพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากนะ ท, ทีนี้พอมาระยะหลังรุ่นหลังท่านนึงหลังจากที่พระพุทธเจ้าปกรณิผ่านไปแล้วนีก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกกับพระอนาน์ว่า เอาสถานที่4สถานที่นี้มีความสําคัญนั่นะคือที่ประสูุดที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรินิพานนั่นะเราก็เลยเอา3วันเนี่ยมาเป็นวันที่มีความสําคัญไงใน4สถานที่คะ่นะคือประชุดกับปรินิพานมันวันเดียวกันใช่ไหมแต่มันคนละที่แต่ถ้าดูเรื่องของวันก็เป็น3วันตรงนี้เนอะเอ่อกลับมาประเด็นที่ว่าแล้วในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะปฐมปเทศนาเนี่ยพูดเรื่องอะไรโอ้เรื่องนี้สําคัญมาก เป็นการเหมือนกับหมุนธรรมจักรนะหมุนธรรมจักรคือสมมุติเป็นอาวุธที่ที่เรียกว่าเป็นอาวุธที่แบบพิชิตได้หมดราบคาบเนี่ยเริ่มหมุนไปวันนี้นะคือ <c oughs> คือพระเจ้าเนี่ยค้นพบอาวุธนี้ละนะมีอยู่ในตัวแล้วพกอยู่ในกระเป๋าละเนะตรียมละตั้งแต่วันที่ตรัสรู้นั่นแหละแล้ น, นี้ชักออกมาใช้หมุนควงไปเนี่ยคือวันนี้มันอาสนะบูชานะคือวันที่หมุนธรรมจักรธรรมจักรที่เป็นจักรไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่า ให้เป็นไปแล้วค่ะซึ่งเนื้อหาในในเรื่องนี้ก็คือไม่หนีไปจากอริยสัจสีนั่นเองนะคือตอนแรกพระพุทธเจ้าได้เท้าความก่อนถึงเรื่องของสุดตรงสองข้างนะที่เป็นทางตันนะคือการที่เอิบิมอยู่ในกรรมคุลนะกรรมะสุขาริการนุโยคแล้วก็การที่ทรมานตัวเองให้ำลำบากประ ป, ปรายปลีนะคือลักษณะของอตกิะมะรมัานุโยค เป็นทางตันแน่นอนไปแล้วก็คือไปไหนไม่รอดต้องกลับมาอยู่ <Okay. S 1> ในสังสารวัตแน่นอนวนไปวนมา <Okay. S 1> แต่ทางที่ไปรอดทางที่เป็นทางเอกก็คือมัคม่งงแปะแคือพูดถึงทางสายกลางแล้วก็อธิบายตรงเนี้ยในเรื่องของอริยสัจสีทุกสมุทัยนี้รอดมัคแล้วก็อธิบายลงรายละเอียดเรื่องมัค ม, มีอะไรบ้างนะปฏิบัติอย่างไงถ้ามีพูดถึงมัคปุ๊บต้องมีคนบนรรลุแน่นอนในในสูตรไหนของพระเจ้าก็แล้วแต่ โอเคซึ่งซึ่งในที่นี้นะก็มีพระัญญาโกทัญญาเนี่ยได้บรรลุเป็นเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันในวันนั้นค่ะอ๋อได้แค่โสดาบันเนี่ยคะก็ใช่ที่บอกเมื่อวาน่ว่าโอ้โหเทศมาต้องเยอะนะต้องต้องต้องยาวอ่ะแล้วก็สุดท้ายบรรลุองค์เดียวด้วยซ้ำโสดาบันอีกตั้งหากแล้วยังต้องต้องอีกหลายวันนะพระพุทธเจ้าโดยพุทธวจนะได้อธิบายถึงว่า หลังจากนั้นเนี่ยได้ไปบินตาบาทบินตาบาทนี่แสดงว่าเป็นวันนะคือวันหนึ่ง<ะ>ชั้นหนเดียวเนี่ยก็ต้อง2องค์นี้ไปบินตาบาตอีก3มองค์หนึ่งอยู่ฟังนะรวมกัน4ี่คนอยู่ด้วยอาหารของสองคนนํามาแตนะ่บางทีสามคนไปบินตาบาทนะสองคนอยู่ฟังนะสามคนอยู่ด้วยอาหารของ3ามคนนำมาอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยต้องมีสองวันนะซึ่งหลักฐานทางบริ ษ, ษัทโดยนักวิชาการต่างเขาทำการค้นคว้าอันนี้อตมาก็ยังไม่ได้ไปตรวจสอบนะ ก็คงจะถูกอยู่เขาบอกว่าประมาณสี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงยนะคะนี่ก็คือกล่าวโดยสรุปว่าความสำคัญของวันอาสาฬหะที่จะว่าไปมีอยู่เพียงวันเดียวที่แสดงธรร ม, อมนอกนั้นพระพุทธองค์ก็จะหลีกเล้นในปีถททัดมาในวันเดียวกันถูกไหมคะใช่ใช่ในวันนี้ของปีถัดไปค่ะแล้วธรรมที่แสดงชื่อธรรมจักรกับวัตตะสูตรดูกดง่ง เป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกของระษาสดาใช่คือธรรมจากนี้ที่ไม่มีจากอื่นใดในโลกนี้ยิ่งกว่าเพราะเป็นจากแห่งอริยสัจสี่พูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่เป็นสิ่งที่ทำให้อ่สิ่งที่เป็นอคุศลเนี่ยราบคาบไปโดยไ ม, ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตตร์และสาระของธรรมที่แสดงคือไม่ให้เห็นในทางสุดโตนทั้งสองด้านคือให ให้เห็นและเข้าใจว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องค่ะท่านถูกต้อง ถ, ถูกต้องถูกต้องและทางที่ถูกต้องคือมัชชิมะปฏิปทาทางสายกลางคือมัชมีองแปดคืออริยสัจสี่คืออริยสัจสี่นะคะซึ่งอริยสัจสี่นี่ก็จะมีอริยสัจ อ, อ, องค์ที่สี่คือมัชมีองแปดถูกต้องนะคะและการที่พระพุทธองค์ลองได้แสดงมัชที่ไหนแล้วต้องมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมใช่พระอัญญาโกณทัญญะ ก็จึงได้บรรลุธรรมแต่ในขั้นที่สี่ของบรรดาสี่ขั้นเต็มคือโสดาบันขั้นแรกนะคือโสดาบันขั้นแรกนะคะโอ้เนี่ยค่ะคือสาระของวันนี้ดังนั้นในวันนี้เราควรระลึกถึงธรรมเหล่านี้แล้วอะไรอีกดีคะท<ว>่คะควรจะออกไปฟังธรรมอย่ามัวแต่าหาความสุขในการมีวันหยุดวันนี้นเป็นวันหยุดนะในประเทศไทยเนาะหยุดหลายวันด้วยกท่านครับเพราะว่าวันที่สองจะเป็นวัน พื่อพรรษาสบดีวันที่สองวันที่สองคือวันอาสันหะถูกไหมคะพ่อพรรษาวันศุกร์ก็เข้าพรรษาก็หยุดอีกหยุดอีกราชการหยุดในวสาอาทิตย์พอดีได้หยุดสี่วันนี่ถ้าปฏิบัติธรรมกับท่านไพบูร์นี่ได้กี่คอร์สคะเนี่ยก็ได้ประมาณสักหนึ่งในสามของคอร์สอยู่นะคะก็ได้ตั้งหลายวันใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปไหนกันก็ไม่ทราบนะคะเนี่ย คือจะไปไหนก็นแล้วแต่ข อ, อยังน้อยให้ได้มาลองฟังธรรมดูฟังพุทธวิชชคําสอนพุทธเจ้าใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยอฟังธรรมะที่ที่เขาเรียกว่าเ ป, เป็นเป็นวันที่เราควรจะฟังธรรมอยู่แล้วอ่ะวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักษอ่ะค่ะก็ฟังธรรมกันและดิฉันก็เคยปรึกษาท่านอาจารย์บางรูปเหมือนกันนะคะว่ามันต้องเดินทางน่ะมันต้องร่วมไปกับหมู่คณะ คนใกล้ชิดไม่ไปมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันลำบากอะไรเงี้ยนะคะท่า น, นก็บอกว่าให้ถ้าเป็นพระพุทธองค์เนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะให้เที่ยวไปในสติปทานสี่เวลายอมไปเที่ยวยอมว่พยายามอยู่ในสติปฐานสี่เป็นไปได้ไหมคะท่านแล้วทํำยังไงคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นเพราะทีฉันอธิบายไม่เก่งนะคะก็สามารถทําได้นะเพราะว่าสติปฐานสี่เนี่ยคืออะไรก่อนนะคือฐานที่ตั้งให้จิตเราเนี่ยมีสติ ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง meglio, คุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ทีนี้ถามว่าไอ้เจ้ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนี่คือหลักการนะนี่คือหลักการ vender, คุณให้มีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงตรงนี้แล้ววิธีปฏิบัติทํำยังไงนวิธีปฏิบัติก็คือดูที่ลมหายใจนะเพราะว่าลมหายใจเนี่ยไปกับเราตลอดเลยนะเหนือใต้ออกตกดับน้ํามันก็ไม่เวน้นก็ไปกับเราังขึง้นไปในอวกาศมันก็ไปกับเรา เพราะถ้าเรามีลมหายใจลมหายใจนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เพราะมันเป็นกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ในนี้หมดแต่ถ้าเรามารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะไม่ลืมหลงในลมหายใจเนะื้อรู้ต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างก็ทําไปเถอะนี่น้อยช่วงที่รู้ก็คือยังรู้ ย, รยังมีสติอยู่ช่วงที่หลุดหลงไปเพลินไปก็อาจจะพลาดไปก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทําเอาแก้เอาอย่างเนงะี้ยนะจะจจะดีขึ้นอยู่ เพราะฉะนั้นไปเที่ยวไปไหนเราก็ไปกับลมหายใจอยู่แล้วเราสามารถที่จะมีสติอยู่ได้อถัดมาอีกนิดหนึ่งคือในวันนั้นเนี่ยในวันอาสารหาบูชาเนี่ยพระเจ้าได้พูดถึงธรรมจักรกับปปัตตนะสูตรใช่ไหม <c oughs> ทีนี้นี่เป็นสูตรที่ทําให้พระัญญาโกฏัญญาเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันทีนี้มันมีอีกพระสูตรหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้เราปัญจวัคคีทั้งห้าเลยเนี่ยเป็นพระอาหารหันได้ พนะพุทเจ้าได้แสดงนี่เรียกว่าอนัตตะลัคณาสูตรอนัตตะลัคณาสูตรก็คือให้เห็นถึงความเป็นของเป็นอนัตตานะ ถ, าถ้าพูดถึงเรื่องอนัตตานี่คือก้าวขึ้นระดับอรหัตธรรมันแล้วนะอ น, อนัตตานัตตานี่คืออรหัตธรรมแล้วนะเพราะงั้นคือพระพุเจ้าก็หลังจากที่พูดถึงเรื่องทั่วไปอริยามรรคมิตรแปดละเรื่องที่เป็นโดยรวมแล้วเอามาเจาะลึกถึงความเป็นอนัตตานะพอได้ตรัสสูตรนี้ติวสอนติวเข้มกันอยู่ หลายวันทีเดียวทุกรูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นอนัตตลัคณาสูตรสำคัญเหมือนกัน ค, นะคือการเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของอนัตตารูปเสียงกยลิ่นรสโดยความเป็นอนัตตาพวกนี้อนัตตาแปล ว, ว่ามีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่มีไม่ใช่ตัวตนนะคะก็ ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยทําให้เราเมื่อกี้ท่านพูดผลว่าคืออะไรนะคะได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลยอ๋อหมายถึงว่านั่นนั่นคือหมายถึงปัญจะวะคัคคีใช่ใช่ได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนั้นถ้าเราสมมุติถ้าเราใช้ชีวิตยอยู่วันหยุดเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวกับใครเขามีเวลาพอที่จะเลือกทําได้เดินทางลัดเลยได้ไหมคะ อยากบรรลุอะค่ะจะพิจารณาอนัตตาเป็นอย่างแรกเลยได้ไหมคะอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยอย่างไรไล่ะคะท่านคะก็คือเห็นสิ่งที่มากระทบในจิตของเราเนี่ยอะไรมากระทบจิตบ้างเสียงมาไหมมาเห็นว่ามันเป็นอะไรเป็นอนัตตาเอา๊ะทำไมมันเป็นอนัตตาเอ้าก็มันไม่เที่ยงไงทีนี้คือบางคนเนี่ยพอนั่งสมาธิไปอาจจะเกิดวูบอาจจะเกิดอะไรมากาวมาคันทําให้คันหรือว่ามีอะไรตกตกขึ้นขึ้ น, น, นลงลงเนี่ยอาการพวกเนี้ย พอคุณออกจากสมาร์ที่คุณก็ยังมังงงอยู่ว่าอั น, นี้มันอะไรเนาะฉันจะเป็นอะไรไม่ฉันจะป่วยไม่ฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันต้องไปหาหมอหรือไม่เนี่ยคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นอัตตานะอ mm. อัตตาเพราะอะไรคุณเห็นว่ามันเป็นของฉันเฮ้ยความรู้สึกนี้ของฉันฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ย <Okay. S 1> คุณยังไม่เห็นอนัตตา mm. ถ้าเราเห็นอนัตตาเนี่ยเราวางไปตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดแล้วเราไม่ได้มาตามคิดตามเช็ดตามล้างมันอยู่หรอก หมายถึงว่าถึงว่าสมมติเห็นเรื่องเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกเห็นเห็นอะไรอะไรวุววุวๆในการปฏิบัติเช่นสมมุติว่าเห็นนิมิตนะคะเห็นภาพหนึ่งปรากฏเข้ามาโอเคแล้วก็แล้วแล้วมันก็ผ่านไปอคนคนที่ยังมีความเป็นอัตตาอยู่ก็จะเก็บมาคิดละ เอ้ภาพนี้มันเกิดขึดด้นยังไงมันตั้งนานแล้วฉันไม่เคยคิดถึงภาพนี้อยู่มันก็มามันหมายความว่าอะไรจะแต่งหวยเรขะอะไรดีแล้วจะต้องไปหาหมอดูคนไหนเพื่อที่จะอธิบายความเห็นนี่นู่นละไปนู่นละไปคนละเรื่องละ่ะเท่านนกับว่ากําลังคิดในเชิงเป็นอัตตาถูกต้องถูกต้องแต่ที่ใ น, นทางกลับกันขั้นคาสมมตินะคะ hmm. เห็นภาพนั้นปุ๊บอ่ามันก็ยังไม่เก่งในการที่จะตัดทออาจจะเห็นอยู่สักหลายวินาทีเจ็ด hmm. วินาทีแล้วก็แล้วว า, ลวางทิ้งไปเลยวางทิ้งไปเลย อย่างนี้แปลว่าอย่างนี้คือว่าวินาทีที่แปดเนี่ยคุณก็เห็นมันโดยความเป็นอนัตตาไงอ๋อแต่ว่าเจ็ดวินาทีแรกเห็นในความเป็นอัตตาเจ็ดวินาทีแรกคุณมีทุกข์แล้วคุณมีทุกข์อยู่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้พอหลังจากที่ทิ้งไปแล้วออกจากสมาธิมาเล่าสู่กันฟังกับเพือ่อนนั่นนั่นแล้วว่าอะไรคะท่านคะ เ, เล่าเป็นตัวเป็นตนเลยทีนี้อกเออเห็นจริงๆรัเนี่ย อ่ะก็แสดงว่าไอ้ที่วางไปเนี่ยหยิบกลับขึ้นมาอีกโอ้โหแหมมันคือคือวางไปได้แล้วยังหยิบกลับขึ้นมาอีกอืมคือคือตรงนี้มันมันอาจจะเป็นงี้นะคุณชมติยวไอ้วินาทีที่แปดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้วางได้จริงๆด้วยซ้ําอาจจะแค่ว่าไปเพลินในสิ่งอื่นอาจจะไปยึดสิ่งอื่นต่ออือาจจะเห็นอัตตาแต่ยังมีอื่ท่านท่านคาสมมตินะแปดวินาทีแรกหรือจะสิบวินาทีหรือจะกี่วินาทีก็แล้วแต่ออออืืจะเห็นโดยอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาวินาทีที่ คิดว่าวางว่าละเนี่ยนะคะอืมอในขณะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าละได้จริงๆรนะคะอ๋อคือมันไม่ใช่ละจากอันนี้ไปยึดอันนั้นก็ละกลับใจกหายใจลมหายใจที้ทัานบอกค่ะแสดงว่าไอ้ที่เราวางไปเนี่ยมันมีการกลับกำลเริบขึ้นมาอการกลับกำลเริบเนี่ยกลับกำลังเริ่ใช่การกลับกำลเริบมเนี่ไม่ได้เป็นอํานาจของสิ่งใดๆเลยนอกจากตัณหาตัณหาทําให้สิ่งนั้นมันกลับกำลเริบขึ้นมาอีกอืม เพราะนั้นเวลาวางได้แล้วไม่ต้องไปเอากลับมาอีกไม่ต้องเสียดายใช่ทิ้งก็แล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะ<ม>อันนี้เท่ากับว่าตอนท้ายนี้ท่านกาลังจะสรุปบอกอะไรท่านผู้ฟังคะถ้าพูดแบบพุทธวจนะพูดแบบพุทธวจนะก็คือว่าทํำบ่อยๆเพราะว่าถ้าเรายังมีตัณหาอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมากลับม า, บมาอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้วางไปเดี๋ยวก็กลับไปคิดอีกอย่างที่คุณโยมติว่าเพราะฉะถ้าเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ำํยำๆเนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้ยมาก เราเห็นมากแล้วจิตเราจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคล่กําหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้อย่างแท้จริงค่ะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละที่ต้องเข้าใจหลักการจะได้ไม่ไปเสียดมเสียดายไม่ไปอะไรอววรชวนอยู่กับสิ่งที่เป็นอัตตาหนาะ ต, ต้องและอนัตตาที่จะพาท่านให้เป็นพระอรหันต์แบบปัญจวัคคีย์ที่ฟังอนัตตลักษณะสูตรนะั่นมันก็จะไม่เกิดผลอืม ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องไมค่ะวันนี้คงจะได้เท่านี้จริงๆค่ะท่านระบูลย์ค่ะในรำพานพิธีการขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งนะคะใ่ใท่านฟังที่เคารค่ะนั้นนั้นก็เป็นพระสงค์จากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีนะคะอยากจะทักคําถามท่านเพียวธรรมะคอมหนึ่หรือจะโทรมาที่ท่านสามารถขอหนังสือพู้ทวจนะที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนาปาพงลำลูกกาคลองสินํามามอบให้กับเราสัปดาห์ละสามเล่มก็ได้นะคะ ขอภัยขวาน ล, ละสามเล่นที่022690006พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเริ่มความขอบคุณจากสังนนิน้าพงและรายการสัสนิสนทนาพุทธ ส, สวัสดีค่ะ